ถ้ากุศลธรรมเจริญในที่ใดให้อยู่ที่นั้นถ้ากุศลธรรมเสื่อมในที่ใดไม่จเจริญในที่ใดให้ออกจากที่นั้นอย่าอยู่ที่นั้นวงจุ้ยเนี่ยวงจุ้ยธรรมะ ม, มันเกี่ยวกับสถานที่มันมีเบื้องหลังอยู่บางทีก็ตัวเองเนี่ยเคยไปทําชั่วสมมติไงนะ เราเคยไปฆ่าเขาตายไอหมูที่หนึ่งแล้วก็ที่นั้นมันก็กลายเป็นป่าเป็นอะไรไปแล้วหรือเป็นอะไรไปแล้วแล้วเราเองก็เวียนว่าตายเกิดแล้วก็เกิดไปนั่งกรรมาฐานที่ตรงนั้นพอดีไม่ดีไม่ดีนั่นเรานะเพราะว่าเราทําพลังอะไรบางอย่างซึ่งมีผลในทางทําลายแก่เราอยู่แต่ผมก็ต้องบอกอย่างที่บอกว่าไอพลังทั้งหลายเหล่านี้นะ่ะ เราเองเรามีพลังต้านในตัวเราด้วยบางเราเนี่ยจะไปอยู่ที่ไหนควบคักระแงแล้วแต่ข้างนอกก็มีพลังแต่ท่านละที่ใดใครเรามีพลังต้านกลรอบงาได้เราก็พ้นเงื่อนไขคือสามารถจะย่ำยีไอ้พลังประตูสิ่งเหล่านี้ได้เหมือนเราควบคนคนชั่วแล้วก็ควบได้แต่เรารล้วนคนชั่วครอบ ง, ง, งำเราไม่ได้มีแต่เราจะครอนําคนชั่วกว่านั้นแต่คนชั่วทุกคนเนเรากครอบําก็ได้หมดเลย ไม่หมดบางคนก็กรอบงามเราได้เราก็ต้องถอยถอยรอไปสร้างประตูในตัวเองให้แข็งพอจะได้แผ่พลังไปมีผลกับเขาก็ดจํามาอย่างนีน่ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ไม่ว่าจะเป็นคนไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ที่เรารับรู้หรือแม้แต่โอกาสสถานการณ์อะไรทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมีเป็นสองแบบนี้เท่านั้น อะไรที่มีพลังครอบงำเราในทางร้ายเราหลบและเมื่อมีพลังถึงพอพร้อมค่อยว่ากันหมาว่าถึงอีกส่วนหนึ่งต่อไป <c oughs> จริตวาสนาบารมีนี่เกี่ยวกับการปฏิบัติเรื่องนี้เราเรารู้อยู่นานแล้วจริตวาสนาบารมีคือ สิ่งที่เราได้สั่งสมไว้แต่อดีตนี่นะครับมันจะเป็นพลังทําให้บุคคลเมื่อพยายามอยู่ในปัจจุบันได้รับความสําเร็จโดยง่ายหรือโดยยากก็ที่ตรงนี้กีเลสของเราที่เราสั่งสมแล้วมันเกาะติดสันดานของเราได้ด้วยอำนาจพลังอะไรปกตูปนิสยาปจจัยความดีกุศลละธรรมที่เราจเจริญอบรมไว้แต่อดีต สร้างหลายพหลายชาติมันเกาะติดสันดานเราอยู่ได้เพราะพลังอะไรพลังปกตูปณิสยาเพราะฉะนั้นที่บอกว่าสร้างบารมีสร้างบารมีเนี่ยครับจริงๆแล้วท่านเอาสองอย่างหนึ่งพลังปกตูสองพลังกุศลบุญกุศลบุญกุศลใดที่บุคคลสร้างแล้วมุ่งเอาพลังปกตูโดยเจตนาบุญกุศลนั้นเป็นบารมี ถ้าบุญกุศลใดที่บุคคลสร้างแล้วมุ่งเอาวิบากไม่เป็นบรารมีอันนี้ผมขอย้ำให้ท่านนักจบทวนได้ทุกคนยกว่าในบรารมีสึกของพระพุทธเจ้ า, น า, น เ, าเนี่ยท่านก็ทำกุศลและครับเช่นทำทานทำทานเนี่ยผลของทานในทางวิบากกรรมมันมีพระพุทธเจ้าไม่ได้มุ่งเอาตรงนั้น แต่ท่านมุ่งเอาพระโพธิยามีหรือคนทําทานแล้วให้วิบากเป็นพระโพธิยามีหรือมีไหมครับวิบากนะนี่ผมพูดถึงวิบากโพธิยานจิตตัะทะลเนี่ยเกิดขึ้นจากการทําทานแล้วมันก็ออกผลมาเป็นโพธิยานโดยไม่รู้เนื้อตัวเลยถ้าเป็นผลทานเนี่ยหมายก็ว่าเราทําบุญอะไรทั้อย่างว่าเสร็จแล้วราชรถก็มาเกย เรานอนหลับอยู่แท้ๆอย่างนี้เรียกว่าเป็นผลต่ําผลธามที่มันให้ผลมาลักษณะอย่างนั้นเราทําศีลไว้เกิดมาชาตินี้ผิวพรรณต่อสายเรารู้ล่วงหน้าเลยเราคอยบงการกรรมเลยบอกฉันจเจ้าหน้าแบบนี้เอาผิวแบบนี้รู้เนื้อรู้ตัวไหมบอกเมย์ฉันเกิดมาหลอ่อฉันไม่รู้เนื้อรู้ตัวเนี่ย มันหล่อของมันเองบุญบุญทํากรรมแต่งเกิดมาฉันสวยเกิดฉันก็ไม่รู้เนื้อ ร, รู้ตัวมันสวยกังมันเองนะแต่ถ้าเป็นพลังของปกตูเนี่ยจะเป็นตัวที่มันก็คลุกอยู่กับกุศลนั่นแหละครับให้จำไว้อย่างนึงว่าบารมีการสร้างบารมีด้วยวิธีการทำบุญเท่านั้นแต่เอาพลัง ทางประตูเราให้ทานครั้งหนึ่งเราได้นิสัยด้วยได้การฆ่ายิเลสด้วยข่าความตนหนีที่พลังทางประตูแล้วก็ได้วิบากของทานด้วยผลของทานที่เราจะพึงได้รับข้อสามเนี่ยจึงพูดกันมากในคำภีทางศาสนาในคติทางศาสนา พูดว่าเพราะอุปนิสัยบารามีแล้วแต่ว่าฒนบารามีทําไว้เป็นอุปนิสัยบารามีนี่ถึงว่ากุศลชั้นต่ําถ้าทําเอาบางเอาพลังบางส่วนมาใจเนี่ยกลายเป็นสูงไปได้นะเป็นเครื่องทุนแรงได้อย่างคนทาทานเนี่ยต้องทาดีแล้วมันได้พลังไอ้ตรงนี้ดีอนะ่ะได้พลังตรงนี้ดีอ่ะผมถ้าเรายกตัวอย่างอย่างนี้ว่าเราสร้างเรือนกรรมฐาน ถวายสำนักสร้างที่จงกลมถวายกุติล่ถวายสำนักเวเวลาเราสร้างอย่างนี้ไอ้ผลโดยกลงของมันสมมุติว่าเราเกิดชาติใหม่เราไม่ได้สนใจจะเอากรรมาฐานเลยเลยไม่ได้อยากจะได้บรรลุบรรเละอะไรทั้งสิ้น ถามว่าตามก็บอกไอยยังงั้นก็เกิดชาติหน้าก็มีบ้านแบบกุฏิกรรมฐ า, านีก็แล้วกันเอาไหมมีคุณค่าไหมไม่มีใช่ไหมฟังทันนะสร้างที่จงกรมสร้างกุฏิกรรมฐ า, านแล้วเราไม่ไม่อยากจะได้สิ่งที่คนอยู่ในกุฏินั่นเขาได้เราอยากจะได้วัตถุกรรมถามว่า เราชอบเลยที่จะได้บ้านอยู่อย่างกุฏิก็มาทานเราไม่ชอบไม่พูดถึงแคชอบอยู่กันแบบลกๆเนี่ยนะมันก็ไม่มีคุณค่าอะไรแต่ว่าบุญอันนี้ไปบว ก, กกับความประสงค์ในความเจริญในธรรมซึ่งเป็นประตูนะจะทําให้เราได้ที่อยู่ที่เป็นสัปปายะที่สะดวกที่ไปอยู่ที่นั่นพับแล้วเนี่ยใจเคลิมเลย จเจริญในธรรมได้โดยง่ายเลยอย่างนี้เราได้สิ่งที่มันสูงกว่าวิบากของกรรมโดยตรยงแต่นี้นิวรธรรมที่เข้ามารบกวนขณะกลปฏิบัติธรรมนิวรที่เข้ามากวนเนี่ยมันกวนโดยพลังปัจจัยรูปใดจริงเนี่นมันมันกวน อ, อในแง่ของสหาชาตะก็กวนนะคือทําให้เวลากิเลสเกิดขึ้นในใจใจเราก็ลุกลนเล่าร้อน ไปตามขณะดที่กิเลสปรากฏแต่พลังปักรตูเนี่ยเวลามันเข้ามาเนี่ยมันจะเข้ามาตัดกระแสของภาวนากุศลไอ้พลังตัดกระแสภาวนากุศลเนี่ยคนได้ฌานจานแตกคนได้ยานยานเสื่อมถอยพลังตรงนี้เป็นปักรตูปนิสยาปัจจัยเหมือนกันก็ได้ความว่าคนฌานแตกนะแตกด้วยพลังปักรตูของกิเลส และที่ห้ายานลดละกรรมและกิเลสข้อนี้หมายกาว่าบุคคลเมื่อได้ยานวิปาาัสนาญาณจนกระทั่งถึงมรรคยานเบื้องสูงเนี่ยเวลาที่เราได้ยานคนเกิดยานปัญญาขึ้นความรู้สึกขนาดนั้นเป็นอย่างไรเป็นสหาชาตาปัจจัยหน้าตาปร่งใสยอย่างไรเป็นสาชาตาปัจจัยทั้งนั้นก็รู้สึกอย่างไรก็อย่างนั้นก็นั่นแหละเป็นสหาชาตาปัจจัย ทีนี้คนที่ได้วิปัสสนาญาณเนี่ยคุณค่ามันไม่ได้อยู่แค่ว่าได้ความรู้สึกว่ายังไงบอกฉันสบายใจแล้วอ่อแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะแต่วิปัสสนาญาณที่ปรากฏเป็นความรู้สึกที่เรารู้สึกได้เนี่ยมันมีพลังปักะตูนําผลอันหนึ่งมาให้คือความบริสุทธิ์ได้แก่ทาลายกิเลสใช่ไหมใช่ ทำลายกิเลสและทำลายอาลดละกรรมเวรกรรมที่เราทําแล้วเนี่ยจะถูกลดละถูกจํากัดขอบเขตเหมือนอย่างพระละหันเนี่ยพระโสดาบันเนี่ยก็ถูกจํากัดขอบเขตแทนที่จะจะไปเกิดอีกถ้วยกรรมอีกหลายภพหลายชาติก็ถูกจํากัดขอบเขตเข้ามาแล้วก็เมื่อเป็นพระโสดาบันแล้วเนี่ยชะตาชีวิตจะถูกจํากัดขขอเตจะไม่มีความไหยนะบางอย่าง เกิดขึ้นยกตัว อ, อย่างว่าถ้าคนเป็นโสดาบันเนี่ยจะเป็นโรคร้ายแรงอย่างปุถุชนเป็นเนี่ยไม่ได้คุ้มครองอะมรุ่นี่ยคุ้มครองคนมันมันมีหลายอย่างเลยตรงไอ้ข้อจํากัดพิเศษพิเศษก็กคนที่เป็นพระโสดาบันเนี่ยนะแม้ไม่ถึงขั้นโสดาบันก็เริ่มมีการล้อมกรอบ ไอ้เคราะกรรมของบุคคลนั้นเป็นอย่างน่าพึงพอใจมากขึ้นมากขึ้น <S <S เออรู้สึก ว, วันนี้ทำไมเวลามันมันผ่านไปชา้านี่จะฟังกันถึงยี่โมงเนี่ยบยโมงมจะไหวไหมไหวนะและ้วไปถามคนพูดบังแอ้ญไหวพอขึ้นเวทีแล้วมันก็เกิดปากตูปากตูมาจากหัวใจ น, ะ <S 1> <S 1> นั่นแหละก็เลยยังไงก็จำเป็นต้องไหวนะ อผมจะพูดเลยไปถึงประเด็นที่แปดประเด็นที่แปดเนี่ยที่ขึ้นหัวประเด็นว่าสรุปความสําคัญของปัจจัยสี่ที่ว่าสําคัญน่ะคืออย่างไรและเดี๋ยวเราย้อนกลับมาดูแต่ละตัวทั้งสี่ในประเด็นต้นต้นอีกทีหนึ่งคือเป็นปัจจัยที่แสดงพลังอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง คำว่าพลังอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องเนี่ยไม่จะไม่ได้มีความหมายมจะต้องอยู่ในความรับลวงของเราไปเสด้หมดนะคืออย่างอารมณะปัจจัยเนี่ยเคยพ้นไปจากชีวิตเราไหมใกล้ชิดไหมใกล้ชิดผมอยากจะร์ใช้คำวยิ่งกับลมหายใจอีกเพราะลมหายใจเนี่ยยังระยะเวลายังหยาบนะหายใจเข้าแชร์ออกเนี่ย แต่จิตเราเนี่ยเกิดดับไปแล้วก็มีอารมณ์อยู่ตลอดเวลาหลากหลายเปลี่ยนแปลงทั้งดีทั้งชั่วเราจึงตกอยู่ภายใต้พลังของอารมณะปัจจัยเป็นตัวกาหนดความนึกคิดของเรากาหนดพฤติกรรมของเราอยู่ทุกวันทุกวันนี้อากาศในห้องนี้เป็นอารมณ์หมัหะเป็นอารมณ์ทางตาหัวจมูกกลิ้นกายกาย ถ้าแอร์เกิดเสียกันมาจิตเปลี่ยนไหมเปลี่ยนแอร์ินจัดจะจิตเปลี่ยนอารมณ์มันมีอำนาจที่จะครอบงำความรู้สึกเราถ้าพูดมันมี เ, ง, เงื่อนไขตัวแปรอื่นเดี๋ยวเราค่อยพูดกันต่อไปจากนี้เนี่ยนะแต่โดยในขอบเขตทั้งมันเนี่ยมันให้ความรู้สึกสกำหนดความรู้สึกเราตลอดเวลาทีนี้บางคนเนี่ย ตกอยู่ภายใต้อำนาจของอารมณ์อย่างรุนแรงตกอยู่ภายใต้อำนาจของอารมณ์จะเรียกว่าไงบีจัดไปหน่อยบางคนนั้นเป็นคนที่ควบคุมอารมณ์ได้อเรียกว่าควบคุมอารมณ์ได้แต่ภาษาชาวบ้านหมายถึงควบคุมก็รู้สึกแต่ภาษาพระก็หมายถึงยั่งพลังของอารมณ์ได้ยกตัวอย่างง่ายๆว่า บางคนแค่เห็นหมอเอาเข็มฉีดยามาทำท่าทดลองฉีดแป๊ดๆเทียบกับโอ้โหมันหัวใจตกไปอยู่ที่ประตุมจะเป็นลมไม่ได้แล้วบางคนหนักขึ้นไปนั้นดนวนะเมียไปหาหมอผัวไปไม่ได้เยี่ยมไม่ได้อย่าได้มาฉีดยาให้เห็นเจะถ้าป่วยขึ้นมาขอตายดีกว่าให้หมอฉีดยาแกไม่ยอมไปหาหมอเลย เป็นอะไรขึ้นมาก็หาเรื่องกินอยู่กิน้ก็เลยดีไปอย่างแกเลยไม่ยอมป่วยแกมีอยู่คนเลยไม่ยอมป่วยครับแกกลัวไปหาหมอเลยไปได้ไอ้สิ่งชดเจรตรงนั้นแต่บางคนเนี่ยเขาเขาเก่งมากผ่าตัดเขาไม่ต้องวางยา ก, ก็ได้ไปบริจาคเลือดอะไรก็ให้ให้หมอแทงเข็มโดยไม่ต้องฉีดยา ก, ก็ได้มองดู ตาปิดๆไม่รู้สึกอะไรเออเนี่ยความรู้สึกครอบงำอารมณ์ของคนไม่เท่ากันและบางคนเวลาไปเห็นอารมณ์ที่น่าชอบใจเนี่ยตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของอารมณ์ง่ายเหลือเกินนะเช่นว่าแค่เข้ามาย อ, อนิดเดียวครับก็เจิงเจิงเลยบางคนแม้ยอไม่เก็จะขึ้นนะครับ ยอลำบากแล้วบางคนประหลาดไปยอเขาโกรธเลยไม่รู้ไปสั่งสมอะไรไว้ยอไม่ได้ยอโกรธก็คงมีอะไรเป็นบาดแผลอยู่ในใจเองไม่รู้นะเออดีเหมือนกันอันนี้มาพูดถึงในกรณีที่เป็นปัจจัยกรร ม, มะปัจจัยเนี่ยมีอิทธิพลครอบงำชีวิตเราไม่ว่างเว้นเลยรอบตัวครับ ไสเรล่ากรรมก็สร้างนะฮะถ้ากรรมแทรกไสก็เป็นมะเร็งเม็ดเม็มมมเดเลือดเรล่ากรรมสร้างเป็นกรรมชรูปถ้ามีอกุศลวิบากเข้ามาเป็นโวปีละกกรรมเลือดก็มีปัญหาเป็นมะเร็งยกตัวอย่างอย่างนี้นะทางตาเหล่ากรรมก็เข้าหูกรรมเข้าปากกรรมเข้าไม่รู้ละ เข้าทั่วไปหมดเลยทั้งที่อยู่ในสำนึกและนอกสำนึกทั้งที่เราเชื่อและเราไม่เชื่อกรรมมีที่พนครอบงากรรมไม่น่าเชื่อหรือไม่น่าเชื่อน่าเชื่อถามพวกเราเราก็ว่าน่าเชื่อลองไปถามข้างนอกสิ okay. บางคนอ่า จ, จะฟังเราแบบเกงใจไม่กล้าขัดคอพอรับหลังก็ขัดคอพอรอกิ๊กเกิก็มีเขาไม่เชื่อนะ น่าเห็นใจนะฮะคนเชื่อกัน่าห็นใจทำไมมันเชื่อยากนะะเสียฐยากจริงๆเรื่องนี้ทั้งที่มีที่พ้ต่อเราอย่างเป็นสาระสําสคัญเลยมีฉาที่ตีจงเกิดขึ้นกับกรรมเป็นของธรรมดาโลกอาวิชาระดับนี้ก็ยังเคลื่อนได้โดยยากอีกปัจจัยหนึ่งเรามาพิจารณาที่ครอบดูคร่าวๆสหาชาตปัจจัยความรู้สึกของเรา ยืนอยู่ในหัวใจเราตลอดชีวิตใช่ไหมใช่ชัดก็ตามไม่ชัดก็ตามขณะนี้มีความรู้สึกไหมมีความรู้สึกความจดจำตกทุกความรู้สึกตื่นเต้นไม่ตื่นเต้นล้วนแล้วแต่เป็นสหาชาตาปัใจจัยในกรอบของความรู้สึกนี่แล้วคนมีคนมาเล่าอ่ะเขาเองเนี่ยเขาทำชั่วมาเยอะ แต่ตอนเล่าเนี <kommen> <wall> ่ยเขาก็หายชั so anyone, ่วแล้วนะเขาอย่างชั่วแล้วเขาบอกว่ากับภรรยากับครอบครัวเขาเนี่ยเขาโขเรี่ยงลูกเรี่ยงตาวจบันสูงสูงจนทั้งถึงวัยใกล้ะเกษียณก็จนถึงเกษียณเนี่ยเขาก็มานั่งคิดกันว่าเอ๊ะเราเนี่ยมันก็มีทุกอย่างพร้อมหมดที่ใครเขาอยากมีความจําเป็นที่ใครก็ตระกีดตะกลายมีเนี่ยเขาโขเป็นการจัการระดับใหญ่โตเนี่ยนะ แต่เขาบอกเขาหาความสุขไม่ได้หาความสุขไม่ได้ที่เขาพูดหมายเขาบอกไงแต่ละวันแต่ละวันในใจมันเหมือนหมุดหนิดมันเศร้าหมองมันเหมือนกับคนเป็นโลกจิตนะแต่เขาไม่ได้เป็นโลกจิตอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เลยมานั่งปรึกษานี่หรือพอแล้วนี่หรือพร้อมแล้ว พร้อมอย่างนี้จะพร้อมไปทําไมทีนี้ไอตอ น, นเขาเล่าเนี่ยเขามารู้แล้วบอกเขาอ๋อไอไอที่เขามีเขาได้มันเนี่ยล้วนแต่โกงล้วนแต่อะไรแต่อะไรกันทั้งข้าก็มีทั้งอะไรก็มีกว่าจะร่ําจะรวยเนี่ยตัวเองนะคนนึกว่าจะทำจริ่งแลนั้นเพื่อได้จริงเหล่านี้ชีวิตจะได้พร้อมเนี่ยคนจะได้นําหน้าถือตาคนก็พอนับหน้าถือตานะครับบางคนกินไปหลงนับครับแต่ในเนื้อแท้ของหัวใจเนี่ยมัน กระวนการวายอยู่ตลอดเวลาเราเ่าบ่าแหมนี่มันน่าหวาดเสียวถ้าหากว่าเขาไม่เจอธรรมะป่านนี้เนะี่ยเขาจะเป็นอยังไงมันไม่ใช่แค่กระบวนการวายนะแต่เขาจะต้องได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนอะไรอีกมากมายก็ไม่รู้ล่ะซึ่งเวลานี้มันกลัดไปแต่ต้นลมไปแล้วก็เลยต้องพยายามเอาคืนในของที่โกงขอโทษนะโกงหลวงมาบ้างอะไรบ้างพยายามคืนก็มีวิธีคืนคืนจะได้ ก็ใหญ่ชั่วไม่ไม่เป็นเดือนเป็นกรรมอะไรมากนะเข้าใจยครฮะคืออนี้เขาเล่าเนี่ยผมก็บอกเออเหมือนผมขนาดเรานี่ไม่ได้โกงนะฮะดีโอกาสไม่ได้โกงมีโอกาสก็ไม่รุ้กันแหละเรามันประเภทขาบข่าจัดเนี่ยพอกรรมมันมาให้ผลเนี่ย มันรู้สึกว่ามันเหมือนร้อนในร่อนกระวนกระวายเหมือนได้พวกปลาที่เราไปจับจับเข้ามามาทุบหัวมาทําให้เขาอยู่บนบกอะผมเป็นอยู่อย่างนี้นะประมาณปีแล้วเวลาผมเห็นคนอื่นเขาอยู่ดีมันคือคุณเฮ้เขาสบายกันได้ยังไงนะทําไมเรามันถึงกระวนกระวายอย่างนี้ทั้งตัวทั้งใจกระวนกระวายเหมือนปลาอยู่ถูกจับขึ้นบนบกไม่มีผิดเลยไอ้เรื่องนี้หายไปแล้วก็ยชั่วนานนานดีนานนานกระวนกระวายที โดยปกติก็เรียบร้อยนะเรียอครับกรรมกรรมที่มันให้ผลอย่างไม่ได้เกิดเหตุเพศภัยอะไรขึ้นจริงนะแต่มันทำให้เนื้อหาของชีวิตจิตใจเราเนี่ยมันไม่เป็นปกติสุขและก็พูดมาในทางตรงกันข้ามว่าคนที่เขาปฏิบัติธรรมอย่างพระอรหันเนี่ยที่ใช้คำว่ายเย็นเยเย็นจริงๆไง เราพอจะเข้าใจได้บางเมื่อเราอยู่ในบรรยากาศการปฏิบัติธรรมอย่างต่อเ น, นื่องแล้วถึงจุดเย็นก็รู้สึกว่าเช้าเราก็เย็นสายเราก็เย็นทีย่ยู่เราก็เย็นบ่ายเราก็เย็นเย็นเราก็ยิ่งเย็นหนักไปีกกลางคืนเราก็เย็นมันโล่งใจก็โล่งร่างกายก็ลงก็เราก็เลยจับชีวิตเรามันเคยมีประสบการณ์อย่างนี้เราก็เลยเห็นโอ้ความสำเร็จในชีวิตที่แท้จริงเนี่ย มันอยู่ที่ในตัวของมันเองนะไอของข้างนอกเนี่ยถ้าข้างในเรามันไม่เย็นแล้วมันก็ไม่มีประโยชน์ครับดีไม่ดีรําคาญมาที่ดีไม่ดีมาเป็นเครื่องช่วยเพิ่มความกังวลความร้อนลนได้อีก <ฮะ S 1> อ่ะทีนี้ปกติปัจจัยเนี่ยอยู่กับเราตลอดเวลากระทั่งเราเดินเนี่ยนะที่เราว่าเดินง่ายๆไม่มีอะไรในปกติไหมเป็นอํานาจปกติปัจจัยหรือเปล่า ถ้าเกิดมาจนถึงเดี๋ยวนี้ยังไม่เคยเดินถ้าก้าวเดินได้ไหมเดินไม่ได้ทุกอย่างในตัวเราเนี่ยไอ้ความเคยชินทางหนีดีไล่มันเป็นไปด้วยอำนาจของปกติแม้กระทั่งจะพูดเนี่ยเราจะพูดออกมาแต่ละคำเนี่ยนะพูดออกมาได้เลยไม่ต้องมานั่งนะึกเหมือนเราหัดพูดภาษาต่างประเทศต้องมานั่งนะึกไอ้คำนี้ออกเสียงยังไงอย่างนั้นเรียกว่าความเป็นอารมณปัจจัยยังมีพลังมาก เวลาเราฝึกพูดภาษาต่างประเทศเนี่ยเราจะพึ่งพลังอารมณะปัจจัยมากกว่าปากตูแต่คนที่เขาพูดคล่องแล้วเขาไม่พึ่งอารมณะปัจจัยแล้วเขาใช้แต่พลังทางปากตูพอจะพูดพูดพรวดออกไปเลยแต่บางทีพอจะไปพูดอะไรสําพันธ์ก็ต้องพึ่งอารมณปัจจัยมันก็ต้องเขียนต้อง กลองกันใหม่ไอ้คนจะไปได่าเขาเจ็บใจบางคนบางคนแหมวางแผนสูงมากเขียนกลองอย่างดีอย่าได้ทําให้เขาเจ็บใจมากๆคิดตัวอย่างนั้นทีนี้มาพูดถึงว่าทั้งหมดเหล่านี้ปัจจัยทั้งหมดเหล่านี้เป็นปัจจัยที่ควรบริหารและเราบริหารได้แล้วก็ขอพูดควบไปกับข้อสี่ซะเลยว่าเป็นปัจจัยที่เป็นดาบสองคมคือทั้งสองทั้งสี่เนี่ยมีทั้งดีทั้งไม่ดี แล้วก็ไอ้ทั้งสี่เนี่ยครับมันทําลายกันเองนะมันทําลายกันเองแล้วแต่เราจะยอมเราจะจะปล่อยให้ใครทําลายข้างไหนบุญกะบาฏธรรมะปัจจัยเหมือนกันทําลายกันเองไหมขัดกันเองอุปคาตกรรมก็พูดถึงกรรมลงกันข้ามกายกรรมบุกหลักที่ยืนอยู่อุปปีและกกรรมก็กรรมลงกันข้ามลเละเจริญในธรรมได้ก็เพราะอาศัยอารามณะปัจจัยคนละสิมาฟังธรรมะ เสียงธรรมะเป็นอันฟังแล้วเป็นปัจจัยแก่สุตมะยะปัญญาถ้าเป็นคําพูดเพ้อเจอ้อเสียงดา่าเสียงบน่นถ้าเราฟังอย่างหูคนธรรมดาในบรรยากาศชาวบ้านได้สุตมยะปัญญาไหมได้กุศลจิตแลือกุศลจิตได้หรอกุศลจิตคนทานอารมณ์อย่างหนึ่งคนบัณฑิตอารมณ์อย่างหนึ่งมันมีคู่ ค, คู่กันอารมณ์นี้มีคู่คู่ ดังนั้นตอนนั้นเวลาที่เราจะบริหารบริหารชีวิตอารมณ์บางอย่างเราก็เลี่ยนไปเปิดรับประตูอารมณ์บางอย่างอารมณ์บางอย่างเราก็หลบบางอย่างเราก็หาทางที่จะแก้ไขด้วยประการต่างๆให้ได้ประโยชน์บางอารมณ์เนี่ยเราอาจจะไม่เปลี่ยนตัวอารมณ์เพราะว่าเราสามารถเปลี่ยนความรู้สึกได้ เช่นความเจ็บปวดความทุกข์ความโศกกิเลสต่างๆเนี่ยถึงขั้นหนึ่งเราอาจที่ไม่ต้องเปลี่ยนแต่ตั้งความรู้สึกเข้ามาสู้ทํำให้อารมณ์ไม่ดีให้กลายเป็นปุ๋ยที่ปุ๋ยบํารุงกุศลบํารุงความดีก็ได้นี่เป็นลักษณะของการคลิกแปลงอารมณ์เล่นกับอารมณะปัจจัยบริหารอารมณปัจจัยให้มันเป็นไปได้โดยประการต่างๆ เพราะฉะนั้นจำไว้มมอย่างนะว่าเราจะทำความดีระดับไหนก็ตามเราต้องมีอารมณะปัจจัยที่ออกมาเป็นรูป อ, องค์ประกอบของการทาดีอย่างนั้นอย่างนั้นเราจะต้องบริหารให้มันเป็นประโยชน์แก่กุศลจิตให้ดีที่สุดคือเป็นเป็นหลักกว้างไม่ไม่ยกตัวอย่างเป็นกรณีชนะก็มีเป็นสองส่วนนั้นทีนี้ปักรูปนิสยปัจจัย ที่เราพูดกันวันนีิสัยดีนิสัยชั่วทั้งคู่เป็นสิ่งที่เกิดจากกลไกลตันี้สยะปัจจัยทั้งคู่นิสัยดีกับนิสัยชั่วมันไอ้ไอนนิสัยชั่วกับนิสัยดีบางอย่างเนี่ยมันเรียกเป็นคู่คู่ปรปับ ก, กันโดยตรงแล้วก็บางอย่างก็เป็นคู่ปรปับโดยอ้อมไม่ใช่โดยตรง เพราะฉะนั้นเวลาที่ท่านสอนให้คนละยิเลศเนี่ยวิธีก็คือสร้างพลังปกะตูฝ่ายตรงกันข้ามที่เป็นปฏิปักษ์โดยตรงก่อนและให้มันหักกันยกตัวยอย่างเช่นสุภาษัญญาตรงกันข้ามกับอสุภาสัญญาต้างแปลไหมสุภาพแล้วสุภาสัญญาแปล ว, ว่าความรู้สึกว่าสวย อสุภาษณ์สัญญาแปล ว, ว่าความรู้สึกว่าไม่สวยนี่พูดถึงอย่างอารมณ์กรรมฐานเรื่องของกลงกันข้ามกันอัตตาสัญญาหน้าตาสัญญากลงกันข้ามกันนั้นในในหลักฝึกกุศลธรรมในพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าจะเฟ้นหาอารมณ์กลงกันข้ามความรู้สึกกลงกันข้ามแล้วก็อารมณ์กลงข้ามเข้ามาเกี่ยวะมาเพื่อเป็นตัวหักกันก่อนทีนี้พอมาหักกันแล้วใครเชนะ ถามว่าใครนะคชนะกุศลชนะเสมอไปเลยบางทีอากุศลก็ชนะก็ชนะบางทีกุศลก็ชนะมันก็หักกันไปหักกันมาอย่างนี้มันเหมือนกับคนดีคนชั่วเหมือนกันอ ต, ตรงนี้จริงเป็นหลักกว้างๆเท่านั้นนะครับในรายละเอียดแต่ละอย่างเนี่ยก็เป็นเรื่องของธรรมะในพระไตรปิฎกทั้งหมดนั่นแหละเรากําลังค่อยๆเรียนค่อยๆศึกษากันอยู่แล้วจากที่ต่างทีนี้ถามว่า ชีวิตเราเนี่ยมันเป็นแต่กลุ่มเหตุปัใจจัยใช่ไหมครับไม่มีตัวไม่มีตนใช่ไหมในแง่ของภาษาสภาวะเนี่ยเป็นแต่กลุ่มของเหตุของปัจจัยและในนี้บอกว่าบริหารในใครบริหารตัวบริหารผู้บริหารก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยผมถามว่าผู้ปฏิบัติธรรมผู้ฝึกจิต ผู้บริหารจิตและในนี้บอกว่าบริหารเนี่ยใครบริหารตัวบริหารผู้บริหารก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยผมถามว่าผู้ปฏิบัติธรรมผู้ฝึกจิตผู้บริหารจิตคือตัวตนหรือคือสภาวธรรมคือสภาวธรรมและสภาวธรรมตัวนี้มีฐานะเป็นเหตุปัจจัยอันหนึ่งแค่ไหมแค่มีฐานะเป็นเหตุเป็นปัจจัยอันหนึ่ง เพราะฉะนั้นผู้บำเพ็ญโยคะทางวิปัสสนาก็ไม่ใช่ใครอื่นไกลคือสภาวธรรมที่เป็นปักกัตูปนิสยปัจจัยตัวหนึ่งอย่างหนึ่งที่เอามาบริหารเพราะว่าสภาวธรรมต่อสภาวธรรมเนี่ยเขาเป็นเหตุเป็นปัจจัยเกี่ยวเนื่องกันจึงไม่มีคริพานไม่มีใครแล้ว ปฏิบัติธรรมมาให้เหนื่อยไปให้ไกลธรรมะเป็นปัญหาตอบยากแต่ก็เคยบอกแล้วว่าคนเนี่ยเวลามันทําอะไรมันจ้องจะเอาจ้องจะนั่นนะจริงๆแล้วพอทําไปทําไปมันเห็นความไม่มีใครเป็นเจ้าของเนี่ยถึงเกิดการเรื่องเบื่อนะเบื่อก็เลยปล่อยเลยไม่เอามันเลยใช่ไหมใช่เวลาไปนิพพานเนี่ยปล่อยหมดคือพอทำไปแล้วมันไม่มีอะไรมันเบื่อ ที่จริงเอาแค่ว่าเรามาคิดถึงทุกวันนี้มันก็ก็น่าเบื่อนะทําทําไปแล้วไม่เอามาเลยใช่ไม่ใช่เวลาไปนิพานเนี่ยปล่อยหมดเพอทำไปแล้วมันไม่มีอะไรมันเบือ่อที่จริงเอาแค่ว่าเรามาคิดถึงทุกวันนี้ทําทําไปแล้วไอคนตอนเราทําชาติแล้วเราเคยนึกเลยทําชาติแล้วชาตินี้ก็เป็นชีวิตใหม่ไอชีวิตใหม่นี่ไม่ได้ทําสักหน่อยชุบมือเปิบหรือรับเกราะแพะรับบาป ไม่ได้ทำมันนะคือเราเนี่ยพยายามอยากจะให้มีใครเป็นเจ้าของเรื่องแต่นี่มันคือไอ้กระแสของน้ำรูดที่มันหมุนวนกันไปอย่างนี้นี่คือความเป็นนะนะถ้าเราจะปลารบอย่างคนเห็นแก่ตัวมันก็ไม่น่อย่างแก่ตัวจนกระทั่งไม่ได้เลยไปแต่ตัวมกตัวก็ไปไม่รู้อย่งอย่า ง, อ ย, างอย่างคุณประณีที่ตายไปนี้วผมก็ยังอดนึกตั้งแต่เห็นหน้าตอนยังไม่ตายตอนยังดีๆอยู่ก็ยังคุยกันเรื่องความเป็นความตายคุยจน คนฟังตายไปก่อนเนี่ยคนพู ด, ดยังอยู่ก็คุยกันมาพลางๆจนกระทั่งถึงเวลานี้เหลือแต่กี่เท่าคีดเท่าอาจจะไม่เหลือแล้วไปเลยมีอะไรนี่เรานึกถึงอะไรเท่าที่เรารู้เราเห็นความคิดความหา่ายในที่สุดมันเหลือแต่กี่เท่ากรรมติดตัวไปเกิดอัตภาพใหม่ไม่ได้ทําไว้แต่ได้ระเวอยสืบต่อกันไปมันน่าเบื่อหน่ายนี่คิดอย่างกิเลสมันยังน่าเบื่อเลยใช่ไหมล่ะ ไอที่บอกแม่ทาแล้วไม่ได้รับเออมันน่าเบื่อคิดในอย่ธรรมาก็ยิ่งน่าเบื่อเพราะนี่คือความเป็นอนัตตาจึงสมควรจะปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่พยายามจะพูดให้มันมีอัตตาไม่จำเป็นต้องพูดเพียงจะพูดย้ายความรู้สึกเบื่อให้มาเป็นแบบธรรมะเสียเท่านะั้วันนี้กลับมาดูประเด็นที่หนึ่งยังมีเวลาอีกนิดหนึ่งนะฮะประเด็นที่หนึ่งอารมณปัจจัย ที่บอกว่าเป็นสิ่งหน่วงนาวจิตทั้งหมดให้เกิดความรู้สึกนึกคิดอันนี้คือพลังโดยล้วนๆของอารมณ์ปัจจัยที่เป็นตัวทําให้เกิดความรู้สึกขึ้นเพรกระทบใจความรู้ความพร้อมที่จะเกิดความรู้สึกอะไรอยู่แล้วก็เกิดขึ้นตามนั้นนี่คือขอบเขตอารมณ์ปัจจัยทีนี้ไอ้ความรู้สึกที่เมื่ออารมณ์กระทบเนี่ยบางทีมันตื้นลึกหนาบางหรือมีการแปลเปลี่ยนมีข้อแม้อย่างน้อนอย่างนี้อ่าเป็นเรื่องการประสมตัวของปัจจัยอื่น พลังของปัจจกอื่นที่เข้ามามีส่วนคืออย่างที่ข้อสองที่บอกว่าเป็นที่อาศัยแสดงออกซึ่งแนวโน้มของอุ ป, ปะนิสัยแห่งจิตเจสิองนนี้ก็อุ ป, ปนิสัยปัจจัยคืออารมณะปัจจัยเนี่ยถามว่ามันเป็นตัวขวนขวายมาครอบงำจิตหรือจิตเนี่ยเป็นตัวขวนขวายไปหามันตอบวทั้งสองอย่าง อารมณสองอย่างเพลงสองเพลงเขาเปิดให้เราได้ยินได้ยินเพลงห น, น, นึ่งคนหนึ่งเงียบโสตสดับอีกคนหนึ่งเงียบโสตสดับไปอีกเพลงหนึ่งอาหารสําหรับหนึ่งคนหนึ่งตักอันหนึ่งบ่อยๆแล้วเวลาไปสั่งแม่ครัวแม่ครัวถามว่าจะทําอะไรบังเอิญไปถามในที่ที่เขานั่งกันอยู่สามสี่คน คนหนึ่งจะเอาอยจะให้ทำอย่างหนึ่งคนหนึ่งจะให้ทำอย่างหนึ่งถามว่าเพราะอะไรนิสัยที่เราสั่งสมมันเป็นตัวกำหนดแนวโน้มของใจเข้าไปหาอารมณ์เลือกอารมณ์สันอารมณ์ทำปฏิกิยาต่ออารมณ์โดยอาการอย่างนั้นอย่างนี้นี่คือแนวโน้มคนเข้าวัดยังเข้าโวลวัดเลยใช่ไหมใช่คนอ่านหนังสือทำมาอย่างอ่าน แค่พระไปิฎกเนี่ยพระไตรปิฎกบางคนนี่ยชอบไม่ชอบผ่านบางปิฎกชอบผานบางปิฎกถามว่าเพราะอะไรรู้ตัวไหมบวงคนก็ไม่รู้ตัวบางคนก็ก็ไม่รู้มันก็เป็นอย่างนี้แหละอ่าทีนี้ข้อสามเป็นเครื่องมือในการก่อกรรมของจิตนี่อารมณ์เนี่ย น, นะที่ว่าเมื่อกี้คนจะทํากรรมอะไรอะไรโดยไม่มีอารมณ์เป็นอุปกรณ์ไม่ได้ ต้องมีอารมณ์เป็นอุปกรณ์เจตนาจึงจะเกิดโดยความเป็นดีเป็นชั่วกับอารมณ์เหล่านั้นข้อสี่เป็นเครื่องมือในการให้ผลของกรรมวิบากเนี่ยาจริงเวลากรรมให้ผลมันให้ผลทั้งที่จิตทั้งที่ร่างกายแต่ว่าสิ่งหนึ่งส่วนหนึ่งที่หนึ่งก็คือให้ผลที่อารมณ์ให้ผลโดยชักนำเราเข้าไปหาอารมณ์นั้นชักอารมณ์นั้นเข้ามาหาเรา อารมณ์าอย่างนี่นฝังลึกเข้ามาเลยละครั้งเนี่ยเกิดจากกรรมใช่ไหมอารมณ์นั้นกรรมเพื่อกรำโดยอองความใจรู้อา ร, รมณ์มันก็มีเหตุอันอื่นของมันแต่กรรมเข้ามามาใช้มันเป็นเครื่องมือทุกอย่างเนี่ยมันอารมณ์ทั้งนั้นแหละไม่ว่าจะเป็นวัตถุสิ่งของที่เราได้มาทั้งมีชีวิตทั้งไม่มีชีวิตเนี่ยอทีนี้มาดูสาชาติปัจจัยเป็นความรู้สึกนึอคิดที่แสดงออกโดยตัวเอง ก็คือความรู้สึกที่ปรากฏนั่นแหละเป็นสาจากตัปปัจจัยในขอบเขตนั้นและเป็นความรู้สึกนึกคิดที่แสดงออกโดยพลังอารมณ์อันนี้ก็ไปเกี่ยวกับอารมณ์ปัจจัยพลังอุปนิสัยอุปนิสัยก็เข้ามาเกี่ยวข้องคือเข้ามามีส่วนทำให้ความรู้สึกเนี่ยแรงอ่อนท่านั้นท่า น, นี้บางทีอารมณ์อ่อนความรู้สึกแรงเกินอารมณ์บางทีอารมณ์แรงแต่ความรู้สึกอ่อนไม่ควรแก่อารมณ์ ี่ยก็เพราะว่ามันมีไอ้ตัวแปรทางพลังด้านอื่นคือปกตูพิเศปัจจัยนะไอ้อย่างที่เขาบอกว่ามีความสุขทางนอกมันจริงมันก็สร้างอารมณ์มาให้ตัวเองนึกเอาเองสนุกเอาเองเขามีภูมิทําสูงปกติทางภูมิทําสูงเนี่ยไปนั่งอยู่ที่ไหนใจมันก็เย็นนะแค่ลมพัดลมพัดก็สบายต่อไปความรู้สึกมือคิดและอาการแสดงออก โดยพลังกรรมและเป็นที่เกิดกรรมใหม่เออตรงนี้นะคนที่เรียนอาไปทําจัดจอาจจะฟังแล้วเหมือนว่าผมมาพูดอะไรแต่นี่แค่ผมพูดอย่างในพระสูตรแล้วก็พูดมันไม่ผิดหลักนะฮะคือผมถามว่ากิเลสของเราเนี่ยกรรมมีส่วนทำให้เกิดไหมมีส่วนครับยิ่งอยู่ในพูดถึงอย่างคนที่หัวอริยธรรมแก่กล้า ว่ากิเลสมันไม่ใช่วิบากอิทอันนั้นเขาเรียกว่าในอภิธรรมเนี่ยเขาแสดงผลของกรรมโดยกลงไม่ไม่ไม่ยอมให้<ม>คนต้องเป็นคนหลงหล ง, ลงลืมลืมแบบเหมือนเหมือนคน บ, บ, บ, บ, บ, บ, บน่บ่บ่กันนะในบางครั้งบางกล่าวก็ดีตอนกรรมให้ผลหรืออาจจะเป็นชีวิตทั้งชีวิตกระดาดเพราะตัวของคนคนนั้นได้ไปว่าด่าคนอื่นเข้าไว้ว่าไอข้ขี้คลาดเอ้ยไอ้เง้สมุติเออเมื่อขอให้มึงโง่เง่าดักดาน หรือบางทีก็ไปดา่านี้โง่นี่อะไรอย่างนี้นะบางคนคตัวเองโง่ไปดา่าและโง่บ้าอย่างท่านจุลบันถกนม่นมาโง่อะไรนี่โง่เป็นแบบอุปอ ป, ปิเลกรกรรมไม่ใช่โจนกรรมนะ่ะอุปปิเลกรกรรมก็เลยทําให้ท่านจุลบันถกมึอนอยู่สี่เดือนเนี่ยห้องคาถาสั้นนิดเดียวไม่ได้มึนจําไม่ได้สักตัวทาให้ผล ทำให้เกิดความหย่อนสมรรถภาพเกิดโมหะกิเลสเข้ารอบงอันั้นกิเลสบางอย่างเนี่ยมันก็เกิดเพราะอํานาจกรรมเป็นปัจจัยโดยปัญยาอย่างนี้แม้กุศลกรรมก็เหมือนกันกุศลกรรมเนี่ยมุ่งว่าเราเนี่ยนะฮะเคยไปทําให้ใครเขาเกิดกุศลจิตเกิดความสบายใจเกิดศรัทธาเกิดปัญญาที่ถูกที่ชอบอะไรเงี้ยนะหรือแม้แต่ว่าบางคนเนี่ย ผมยกตัวอย่างเป็นเรื่องแปลกอันหนึ่งที่เรานึกก็เรื่องเล็กคือการสวดมนต์ไหว้พระสะุ่ยดีพุทธคุณที่ตัวเองเห็นเนี่ยว่าพระพุทธเจ้าทรงมีปัญญาเฉลียวฉลาดแล้วก็สุ่ยดีเขาเรียกเขาเรียกว่าชมเชยพระพุทธเจ้าด้วยคุณอันเป็นจริงที่ตัวเองเห็นก็เลยติดตัวเองมาเป็นว่าคือดา่าพระและตัวเองเป็นฉันใดชมพระตัวก็เป็นอย่างนั้นนะไม่ใช่ยอมละนะ ไปเชยอจะยืมเงินปลาชมด้วยความศรัทธาก็คือสะดุดีเดี๋ยวนี้จะสวนมนต์นั่นแหะตกระตุเป็นก่อแนวโน้มแห่องอุปนิสัยให้กิจเจสิญสั่งดีทั้งชั่วลมเนี่ยมันถูกลดกําลังลงเพระตรงนี้หรือถูกเพิ่มกําลังก็เพระตรงนี้ผมยกตัวอย่างในทางอุศนก่อนนักเล่นหวยคนหนึ่งเดินผ่านต้นไม้ต้นหนึ่งมีไอไล่กับขโมยที่อุกกระเทือนใจแรงไม้มแรง ไอเราเดินผ่านเฉยไม่รู้ทีนี้ในทางกุศลมันกันแต่บูนึงว่าในทางกุศลเนี่ยคนที่เขาแต่อย่างกรณีคนที่เขามีศรัทธานะฮะมีศรัทธามีจิตใจฝักไฝ่นะเห็นอะไรเป็นช่องนิดเดียวไม่ได้เกิดกุศลเกิดเห็นช่องที่จะทำบุญทำกุศลขึ้นมาทันทีตื่นเต้นขึ้นมาทันทีนั่นเห็นพระเดิน ผ่นมีอาจารยะอันเรียบร้อยดีก็เกิดความรู้สึกที่รุนแรงขึ้นซึ่งคนที่ไม่มีปกะตูทางนี้ก็ไม่ละเอียดอย่างนี้ดันตัวนี้จึงเป็นตัวกรองลดความรุนแรงของอารมณ์ได้ทั้งดีทั้งไม่ดีเพิ่มก็ได้เป็นเครื่องเพิ่มหรือลดกําลังวิบากกรรมที่ทําแล้วอตรงนี้จริงๆน่าจะอธิบายเยอะแต่ก็จําเป็นต้องพูดนิดเดียวการที่เรามี จิตเป็นกุศลอย่างแรงกล้าทำให้อากุศลวิบากที่มันจะให้ผลมันไม่ให้ผลหรือให้ผลน้อยอถ้ายกตัวยอย่างชัดข้ามา อ, อย่างที่ยกตัวยอย่างเมื่อกี้ว่าในขณะที่บุคคลจิตกําลังละเอียดประณีดด้วยความเป็นกุศลในทางภาวนาใหม่เนี่ยขณะนั้นถ้าหากว่ามีใครเอามีดไปกรีด หรือมีโรคปรากฏแก่บุคคลนั้นไม่รุนแรงใช่มะแล้วก็สามารถที่จะยับยั้งโรคไปไกลเจ็บได้ด้วยตามกำลังตามสมควรที่จะเป็นไปว่ากำลังปะกตูแรงกว่าโรคแค่ไหนหโรคกเกิดจากกรรมนะฮะสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่มีผลต่อกรำตามสมควรที่จะเป็นไปได้ คนที่ใช้พลังจิตรักษาโรครักษาตัวเองอะไรต่างๆเหล่านี้ก็คือพลังตรงนี้ทั้งสิ้นหรือคนที่ใช้พลังเพื่อที่จะนำโชคลาภมาด้วยวิธีการทางกุศลก็เป็นพลังทางนี้ทั้งสิ้นแล้วแต่ใครจ ะ, อะชอบในขั้นไหนทำได้ขั้นไหนนะครับก็ให้เป็นไปตามสมควรแก่บุคคลนั้นแต่หลักทั้งหลายนั้นจะครอบคุมไ้ทั้งหมดในระการต่อไป น, นักณิกา กรรมปัจจัยอเมื่อกี้ข้อสีพูดได้ยังว่าเป็นเครื่องเพิ่มและลดกาลังกรรมและกิเลส น, นะกำลังกรรมไอ้วิบากนะหมายถึงผลกรรมที่สําเร็จแล้วกําลังกรรมหมายถึงกรรมที่เราลงมือทําเนี่ยแล้วก็ปัจจตูหมายถึงว่าถ้าเรามีความตั้งใจแรงอย่างเมื่อกี้เรื่องของเจตนาทานสามก็เพิ่มพลังกรรมเป็นต้นนะครับแล้วก็ถ้าเรา <c oughs> มี อุปนิสัยในทางกุศลบารมีติดตัวมาแต่ชาติติปางก่อนแล้วก็มาชาตินี้ถึงเราจะลืมไปแล้วแล้วก็เกิดกิเลสบางอย่างขึ้นเนี่ยกิเลสไม่แรงนะครับใครยังมายั่วยุให้เกิดกิเลสบางอย่างขึ้นกับคนบางคนเนี่ยมันก็เกิดไม่แรงแล้วบางคนก็มาอุปนิสัยเนี่ยมันแน่ชัดถึงขนาดบาปบางอย่างเขาไม่ทําเลย ขอคนเนี่ยฮะเข้ามานั่งไล่เขาบอกว่าเออฉันเนี่ยถึงจะเล่าบุรีปืนหมดกินมาหมดเทรดมาหมดฆ่าสัตว์ก็ฆ่าแต่มีอยู่ข้อเดียวไม่ทําไม่ชอบทําคืออธินาทานทั้งโดยกลงโดยอ้อมไม่ทำํำก็บอกอย่างนี้ไอ้บางคนเขาบอกข้ออื่นหมดมีอยู่ข้อเดียวคือการเมือมีจ้าจาย์ไม่ทําอ่ะนี่คือข้อดียงองรับแต่อันนี้มาดูนานักคณิกะนานักคณิกะข้อหนึ่ง เป็นผู้ผลิตผลภายในคิววิบากกิตและกรรมจรูกของบุคคลผู้ได้ทํากรรมนั้นไว้อันนี้เป็นผลโดยโตรงของอานานักนิกากรร ม, มปัจจัยนะครับเป็นผลภายในตือร่างกายและจิตใจของเราเนี่ยสําเร็จขึ้นมาจากกรรมแล้วก็สองชักนําอารมณ์ที่เป็นอิตาลมนิตาลมมาสวยตรนะของบุคคลผู้ได้ทากรรมนั้นไว้อันนี้ก็เป็นกรรมที่ไปเกี่ยวกับอารมณ์แล้วเราก็ เอามาพูดถึงตรงนี้บังเอิญความก็ไปคาบเกี่ยวถึงอา ร, รมณปัจจัยอยู่ด้วยเช่นเดียวกันข้อสามเป็นพลังอุดหนุนแนวโน้มแห่องอุ ป, ปนิสัยมาโดยตรงและโดยอ้อมไอ้ตรงนี้แหละครับที่เคยเน้นบ่อยๆแต่ว่าที่เนี้เราจะพูดในเชิงปัจจัยว่าการที่เราจะสร้างบารมีธรรมพลังบารมีธรรมเนี่ยมันมีเครื่องต้นแรงอย่างหนึ่งที่แม้แต่คนจะเป็นเจ้าก็จําเป็นต้องใช้เครื่องตุนแรงนั้น นั่นก็คือกุศลแล้วเอาอธิษฐานเนี่ยเข้าไปเป็นตัวชี้นำทำบุญแล้วให้บุญนั้นให้ผลแบบเรียกว่าข้ามขั้นตอนหรือเป็นประโยชน์แก่ความสำเร็จในขั้นที่ดีกว่ายกตัวอย่างเช่นว่าเราให้ทานและนิพานักปัจโยโหตุอย่างที่โบราณสอนกันนะอย่างนี้ก็เข้าข่ายอันนี้นั้นทานเนี่ย ทำให้ได้ศีลทำให้ได้นิพานก็ได้ในพุทธพจน์นันไม่ใช่พูดเองหรอกหรือศีลังนิปุติยันติอันนี้ท่านไม่ได้ตรัสในเชิงโดยตรงเป็นอาธิพรมจารย์คนที่รักษาศีลเพื่อเป็นบาตรแก่มักผลศีลที่รักษาด้วยเจตนาเช่นนี้เป็นอุปปัฏฐายปัจจัยแก่มักผล วิปาาัสนาญาณแต่ละญาณเนี่ยก็เหมือนกันเป็นอุปนิสัยปัจจัยขึ้นไปขึ้นไประหว่างกุศลขั้นแต่ละขั้นแต่ละขั้นนี่นะเราลองนึกดูหให้ดีดนะว่ า, าวิปัสนาญาณที่หนึ่งเป็นเหตุให้เกิดวิปัสนาญาณที่สองถามว่าวิปัสนาญาณที่สองเป็นวิบากจิตของวิปัสนาญาณที่หนึ่งหรือไม่ใช่แล้ววิปัสนาญาณที่สองเกิดจากวิปัสนาญาณที่หนึ่งเพราะปัจจัยอะไร อว่าปกตะตูปนิตยาปัจจัยชาญต้นเป็นปัจจัยแก่ชาญหลังก็ด้วยอำนาจปกตูไม่ใช่วิบากปัจจัยวิสุทธิต้นเป็นปัจจัยแก่วิสุทธิหลังหลังก็ไม่ใช่ด้วยอำนาจของนานาคณิกามาปัจจัยแต่ด้วยอำนาจของปะกตะตูปนิตยาปัจจัย อันนี้มันเป็นเป็นกรรมในลักษณะที่บางส่วนก็เป็นบุญกิยาชนิดเดียวกันภาวนาต่อภาวนาภาวนาต้นกับภาวนาสูงบางอย่างก็ต่างบุญกิยาคืนกันคือจากทานแก่ศีลศีลแก่วิปัสนาอะไรเงยนะต่างบุญกิยากันถ้าต่างบุญและบุญญากริยากันนั้นจะต้องใช้ ความประสงค์ความปรารถนาเข้าไปเป็นตัวชักนำเกินไปเกือบสิบทีแล้วเอานะต่อไปนี้จะจบแล้วก็ู่ตายแล้วนะต่หลอกหลอกให้เกิดปกตูนิดหน่อยอก็ไม่ใช่หลอกอะจะข้อสี่เป็นพลังอุดหนุนแก่ความรู้สึกนึกคิด ของจิตและเจติกอันนี้ก็วกกลับมาและครับสาหาตปัจใจความรู้สึกที่เราได้เนี่ยเราจะเห็นว่าสมมติว่าอย่างที่ท่านท่านตรัสว่าบุคคลจะทำให้เกิดความรู้สึกศรัทธาขึ้นให้น้อมใจเข้าไปสู่ศรัทธานั้นคือปลุกศรัทธาด้วยการใช้ความคิดต้นทำความรู้สึกกับขอให้ความรู้สึกนี้เกิดมันเหมือนกับ เราไม่ได้อาศัยอารมณ์ช่วยบางทีเราไม่ได้อยู่ใกล้สิ่งที่เป็นสัตยยวัตุเราต้องการให้เกิดศรัทธาเกิดปีติขึ้นมาเนี่ยเราก็ทาความรู้สึกตั้งความรู้สึกขึ้นความรู้สึกต้นฉุดความรู้สึกหลังขึ้นมานีน่ปักกตูมีผลต่อสหัจจาต์จิตแรกเป็นปักกตูจิตหลังเนี่ย เป็นความรู้สึกเป็นสาสาตะซึ่งมีปัจจุเป็นตัวอุดหนุนให้เกิดเวลาเราฝันเนี่ยฝันเพราปัจจุเทพสังหรณ์ก็ปกัจจุกรรมอาวอนกรรมและปัจจุในดะาวกรรมออกนะถ้ากรรมเลิกปกัจจุกรมผมเรียกตรงนี้นี่คือกรรมจิตนะาวอนนะั่นคือ การที่ใจเราไปคุ้นคิดใจที่เราไปคุ้นคิดแล้วเราก็คิดว่าเราจะเลิกคิดแล้วเสร็จแล้วก็มีจิตผุดขึ้นมาคิดอีกความรู้สึกอันนั้นผูกขึ้นมาก็เพราะว่าไอจิตคิดทีแรกเป็นประตูให้แล้วก็ไปคิดเอาในฝันนะั่นนหะเอาล่ะครับวันนี้ก็กล่อมกลืนฝืนพูดฝืนฟังกันมาจน จบจนได้แหละจบแล้วปัจจัยยี่สี่ที่พูดกันมาทั้งกเมษายนคราวหน้าฝัางมีโอกาสพิเศษก็จะมีอะไรจอนเข้ามาเป็นพิเศษอย่างนี้อีกขอแสดงความสมาลาโทษนะที่เกินเวลาม า, อาตอนท้ายนะครับก็คงจะต้องสรุปกันสั้นๆ น, นะครับเราให้ส่วนบุญของเราเป็นทานแก่บุคคลอื่นทั้งหมดโดยปลารบเอาบุญเป็นอารมณ์อยู่เฉพาะหน้า ที่ได้ทำแล้วเนี่ยครับและกับสัตว์ทั้งหลายที่เขามารอรับเราอยู่ทั้งในที่ใกล้ที่ไกลทั้งที่มีบุพเาเจตนามาหรื อ, อยังไม่มีบุพเาเจตนามาก็ขอให้ได้รับรู้ได้รับทราบโดยทั่วกันอะไรที่ท่านทั้งปวงต้องการขอให้สิ่งที่ท่านต้องการจงสําเร็จด้วยบุญของพวกเราแล้วก็ขอให้บุญของพวกเราความปรารถนาดี ในกุศลจิตของพวกเราเนี่ยขอให้ได้เป็นผลโดนบันดาลให้ชีวิตของเรานั้นจงเป็นชีวิตที่ประเสริฐเสริฐยิ่งขึ้นทุกวันทุกวั น, ท, วนทุกวันที่ผ่านไปเนี่ยให้นําชีวิตประเสริฐมาให้เรามาให้เรามาให้เราโดยไม่ถอยกลับขอิดประชุมเพียงเท่านี้นะครับและอย่าลืมเมื่อท่านจะกลับกรุณารับหนังสือติดมือไปด้วยนะครับมีอยู่ประมาณร้อยเล่มเข้าใจว่าคงพอฮะ